เราก็คงทราบดีแล้วนะว่าอาหารเนี่ยมันจำเป็นต่อชีวิตแล้วก็สุขภาพของเรานะมีชีวิตอย่างเดียวไม่พอนะก็ต้องมีสุขภาพดีด้วยการกินอาหารให้อิ่มนะหรือว่าให้ได้ปริมาณที่สมควรพอเพียงกับร่างกายนี่มันก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ย กินให้อิ่มหรือว่ากินให้พอเพียงมันก็ยังไม่พอนะมันต้องได้สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยนะเดี๋ยวนี้เราก็มีความรู้มากขึ้นนะเนื้อก็ดีผักก็ดีผลไม้ ก, ก็ดีเนี่ยมันยังไม่พอนะเราต้องพิจารณาถึงสารอาหารที่อยู่ในอาหารเหล่านั้นด้วยเช่น คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่อันนี้มันละเอียดลงไปนะเพราะว่าถ้าเรากินอาหารอิ่มแต่สารอาหารไม่ครบไม่พอเพียงมันก็ทําให้สุขภาพดีไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีความรู้มากขึ้นนะว่าเนี่ยไขยมันก็ดีคาร์โบไฮเดรตก็ดีโปรตีนก็ดีนี่มันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะของสารอาหารที่เราต้องการนะ เกลอแร่หรือวิตามินเนี่ยนะซึ่งเป็นเรียกว่าสารที่มันละเอียดยิบย่อยนะก็จาเป็นเหมือนกันอย่างวิตามินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน A วิตามิน C พวกนี้นี่ถ้าขาดไปหรือไม่พอเพียงนี่ก็แย่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะกินเนื้อกินผัก หรือว่ากินข้าวได้อินทองก็ตามอย่างวิตามินบีเนี่ยนะช่นบีหนึ่งเนี่ยะนะถ้าขาดไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะถึงตายนะเพราะว่ามันมีผลต่อการทำงานของหัวใจสมองนะและกล้ามเนื้อคนที่ขาด ว, วิตามินบีหนึ่งเนี่ย บางทีเป็นถึงโชกุนนะเป็นถึงจกกักรพรรดินะแต่ก็ตายได้อายุสั้นมากนะและไม่ใช่เฉพาะชนชั้นสูงนะชาวบ้านทั่วไปสมัยก่อนไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็ตายเพราะขาดวิตามิน B1 หนะึ่งอย่างเขามีการศึกษาพบว่านเนี่ย คนยุโรปเมื่อสองสามรอยปีก่อนนี่อันดับหนึ่งที่ตายเนี่ยเพราะโรคฝีดาดแต่ว่าที่ตายเป็นอันดับสองนี่ก็เพราะขาดวิตามิน B นะวิตามิน B1 หนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าพอไม่มีวิตามิน B1 แล้วหัวใจวายบ้างแล้วหรือว่าการทำงานสมองมีปัญหาการเนื้ออ่อนแรง วิตามินซีก็เหมือนกันนะถ้าขาดก็ตายเหมือนกันนะพวกที่เป็นกะลาสีเดินเรือในทะเลนานเป็นเดือนนี่ตายเป็นใบ ไ, ไม้ร่วงเลยนะเพราะว่าขาดวิตามินซีแล้วก็ไม่รู้ว่าวิตามินซีมันก็มีอยู่ในผลไม้เช่นส้มหรือฝรั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีคนตายเพราะพาะวกวิตามินละส่วนใหญ่นะเพราะเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิตามิน มันไม่ใช่วิตามีนอย่างเดียวนะพวกเกลือแร่หรือแร่ธาตุนี่ก็สําคัญนะอย่างโปแตสเซียมเนี่ยนะถ้าขาดไปหรือโปแตสเซียมต่ํานี่บางทีก็ทําให้สมองเลอะเลือนนะบางทีพูดไม่รู้เรื่องรับรู้อะไรก็ลําบากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้เรามากขึ้นเราก็พบว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะนะไม่ใช่แค่โปรโตีนไขมัน คลอโโบไฮเดตวิตามินเกลือแร่ที่สำคัญต่อสุขภาพของเราในที่ยิบย่อยไปก็นั่นคือแบคทีเรียนะหรือว่าจุลชีพจุลชีวันเนี่ยตัวนี้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่ามันสำคัญมากเลยแต่ก่อนเวลาพูดถึงแบคทีเรียเนี่ยเราก็นึกถึงเชื้อโรคนะแต่ที่จริงแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเรามีน้อยนะ จำนวนมากไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่น้อยเลยนะที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเพราะว่าแบคทีเรียพวกนี้โดยเพาะที่อยู่ในกระเพาะหรือในลำไส้เนี่ยนะมันมันช่วยดึงเกลือแร่ดึงวิตามินที่จำเป็นจากอาหารมาให้กับร่างกายเราเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยระบบย่อยอาหารเนี่ยบางทีมันก็บกพร่องนะ มันก็ไม่สามารถจะดูดซึมอาหารหรือสารอาหารจากอาหารที่เรากินได้ครบถ้วนนะต้องอาศัยพวกแบคทีเรียพวกนี้ยดึงนะดึงอะไรนะก็วิตามิน B ีนั่นแหละนะวิตามิน B ีหนึ่งบีสองบหกบสิบสองพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในอาหารของเราแต่ว่าร่างกายเราไม่สามารถจะสกัดออกมาได้ถ้าไม่ได้พวกแบคทีเรียพวกนี้มาช่วยนะ มันก็ช่วยส ก, กัดพวกวิตามินเหล่านี้จากอาหารที่เรากินนั่นแหละแล้วก็ป้อนให้กับร่างกายของเราเไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าสมองหัวใจปอดและบางอย่างนี่มันวิตามินบางอย่างนี่มันไม่มีในอาหารนะมันต้องเกิดจากการผลิตของแบคทีเรียนในกระเพาะเรามีแต่แบคทีเรียของเราที่จะผลิตได้เช่น B12 เนี่ย สัตว์ทุกชนิดนี้มันผลิตไม่ได้เองนะมันต้องอาศัยแบคทีเรียในการผลิตรวมทั้งมนุษย์ด้วยเนี่ยฉะนั้นถ้าเราขาดแบคทีเรียหรือขาดเชื้อนะหรือจุลินทรีย์ในกะระเพาะเราก็แย่นะแล้วเดี๋ยวนี้พบว่ามันไม่ใช่มีผลต่อพวกอวัย ว, วะเช่นหัวใจปอดท่า น, นนะสมองด้วยนะสารอาหารที่บารุงสมองนี่มันก็มาจาก แบคทีเรียไม่ใช่น้อยเลยและเดี๋ยวนี้เราก็พบว่าไม่ใช่แค่สุขภาพกายเท่านั้นนะสุขภาพจิตอารมณ์เนี่ยมันก็มีส่วนนะได้รับการเอื้อเฟื้อนะจากแบคทีเรียด้วยวันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะแบคทีเรียนี่มันไม่ใช่มีผลต่อสุขภาพกายของเราอย่างเดียวนะ สุขภาพใจด้วยอารมณ์ความคิดความจำแม้ระทั่งนิสัยใจคอนะอย่างเขามีการทดลองหนูนะหนูที่ไม่มีเชื้อในตัวเลยก็คือไม่มีแบคทีรียในร่างกายเลยปรากฏว่ามันมีอาการที่ประหลาดนะมันเป็นมันกลายเป็นหนูที่วิตกกังวลมาก กระสากระสายขี้กลัวแล้วก็ไม่ชอบส่งสิงกับใครนะเปลี่ยนไปเลยนะหรือว่ามีลักษณะที่ตรงข้ามกับหนูปกติซึ่งมันมีแบคทีเรียอยู่ในร่างกายอยู่ในกระเพาะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำกับหนูอย่างเดียวนะเขาก็ทดลองกับคนนะแล้วก็พบว่าคนเนี่ยที่มีอารมณ์แปรปรวนมีความซึมเศร้าทั้งระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงเนี่ยพอให้อาหารที่มันมีแบคทีเรีย แล้วเขาก็จอดจงเลยนะแบคบทีเรียสิบสีชนิดนะที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่พบได้ในกระเพาะเนี่ยพอให้ไปแล้วพบว่าอารมณ์ดีขึ้นนะอารมณ์ดีขึ้นโรคซึมเศร้าความซึมเศร้าก็ลดลงก็เลยทำให้เขสันนิษฐานว่าเนี่ยที่คนเราเป็นโรคซึมเศร้ากันมากเนี่ยอารมณ์แปรปรวนมากหดหูมากเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า เรามีพวกแบคทีเรียเหล่านี้น้อยไปในร่างกายมันไม่ใช่เป็นเพราะเหตุปัจจัยอย่างอื่นเท่านั้นนะไม่ใช่เพราะพ m 2.5 ออย่างที่เคยพูดไปไม่ใช่เพราะว่าความโดดเดี่ยวอ้างว้างอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะเรามีแบคทีเรียในกระเพาะน้อยไปก็ได้โดยเพราะที่จำเป็นนี่ที่คือน่าสนใจอย่างหนึ่งนะก็มีการศึกษากับ พยาบาลนะประมาณเป็นหมื่นคนแล้วนะแนงกฤษพยาบาลที่ใช้ยาปฏิชีวนะเกินสองเดือนขึ้นไปเพราะว่าเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความจำบกพร่องนะความจำแย่ลงสมาธิก็แย่ลงแล้วก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาอ่า เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับคนที่ไม่ได้กินหรือใช้ยาปฏิชีวนะแล้วยาปฏิชีวนะนี่มันไปทําอะไรกับแบคทีเรียในในกระเพาะเราคือมันไปฆ่ามาันไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะด้วยเชื้อดีๆก็ตายไอ้เชื้อร้ายก็ตายเชื้อดีๆก็ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินยาปฏิชีวนะเข้าไปมากๆนี่ก็ทําให้ การทํางานของสมองการเรียนรู้นะสมาธิรวทั้งเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันแย่ไปด้วยเพราะฉะ่า้นเดี๋ยวนี้เราก็พบว่าเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยนะแม้มันจะเป็นสิ่งเล็กๆในร่างกายแต่มันก็เป็นสิ่งจําเป็นนะสำหรับสุขภาพกายสุขภาพจิงคนเรามันก็ยิ่งชี้เห็นว่าในคนเราเนี่ยมันต้องพึ่งพาสายสิ่งอื่นมากมายนะไม่ใช่แค่อากาศไม่ใช่แค่น้ํา ไม่ใช่แค่พืชไม่ใช่แค่สัตว์นะแต่ว่าแม้กระทั่งตุลชีวาเล็กๆนี่เราก็ต้องพึ่งพาสายเขาด้วยมันเป็นโลงการพึ่งพาสายกันนะซึ่งถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แย่ลงอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะที่ทําให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยการที่คนเราเนี่ยกินยาปฏิชีวะนะมากๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไป และการที่เราอนามัยจัดมากๆเกินไปก็ไม่ใช่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องมีการเติมเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายบ้างนะโยเกิร์ตก็ดีนมเปี้ยวก็ดีแต่มันไม่พอมันต้องมีอย่างอื่นด้วยเพราะว่าไอ้ที่ดีๆจํานวนมากก็ถูกฆ่าตายไปถูกกาจัดเพราะว่าแบคยาปฏิชืวหน้าที่เรากินก็ต้องเติมเข้าไปนะซึ่งก็ต้องศึกษาต่อไปว่าจะต้องเติมอะไรเข้าไปนะในร่างกายของเราบ้าง